อ่าว่าจะเทียบกับเป็นคนโลกแล้วนะก็อยู่ในขันธ์ขันธ์มันเป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นครับถ้าจะเทียบกับมนุษย์ก็เป็นอันหนึ่งเพียงแต่ว่าว่าโลกผมมันขัดต่อธรรมชาติมันพูดไม่ออกเขาบอกได้แต่ว่ารู้ทั้งรู้กฎิเสยโลกกับโลกเสียมันมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัย อย่างที่เทศน์กันนี้ดิ้นน้ําลงไปหึมาอาศัยอันนี้อยู่เมื่อได้อาศัยแล้วมันจําเป็นอย่างไรก็แพ้และกลายนั้นน่ะก็ท่านที่ไม่หวังเอาอะไรจากกันเนี่ยคุณมันก็อาศัยกันไปพอถึงวันนี้ไม่เห็นชัดว่าพระอวิกันตะสังขารนี้จอมยุ่งนะได้ยั้งนี้จะต้องรับผิดชอบมันภายในบางเป็นพันธุ์พานนอนพากับพระท่านเครดิตที่แสงบลายยวนแล้วจะทําเพื่อขันธ์ทั้งนั้นไม่ทําเพื่อจิต ก็คิดไม่มีเวลาจะทําเพื่อมันแล้วนะนะจะพูดให้มันเต็มไม่เต็มหน่อยว่าพอตัวแล้วที่จะทําอะไรให้เสียอีกไม่ได้พี่พ่อนานยังอยู่ชีวิตอยู่ครองคันเนี่ยมันก็พอตัวไปแล้วจะเอาอะไรมากูอีกนะจะหาบกพ้องที่ไหนอีกนะจะหาบกพ้องที่ไหนมันปัจจุบันสมบูรณ์เต็มที่แล้วอนาคตอดีตมันก็แต่หลักปัจจุบันทั้งนั้นน่ะ มันไม่ใช่การกระทําที่บังคับแล้วอย่างนั้นอันใดเป็นของมีเสียศักดิ์ยิ่งกว่าธรรมแต่มันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมถ้าเห็นนั้นจะดีมีดีมันเป็นเครื่องหลอกนะทําจิตใจให้อ่อนแอความเพียรก็ดรผลย่อมเกิดขึ้นจากความเพียรน้อยมีแน่นอนพุ่มลงไปพุ่มลงไปอย่าหวังขึ้นอะไรนอกจากธรรมอันนี้เลยนะนั่นแหละต้นนี้ต้น อ่าเดี๋ยวนี้ฟังดูเพื่อนคุยกันคอนาเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้เงียบเหมือนเค้าเรียกเหมือนเกี่ยวตายสิวันตายโหเงียบๆตายๆดึงอ่ะทีนี้คนใครจะไปร้องให้เต็มมันก็ล้วนอือมันก็เด็จเงียบเหมือนเกี่ยวตายล้วนตายหืมอย่างนี้เงียบๆตายๆ ของละเอียดมากถ้าจะมีสิ่งครบจะมีสิ่งบังคับเรื่องปัญหาคอหัวอีกมันยังคล้องแค่คล้องตัวเองแผนนี้เอาไปหมดแล้วอะไรก็คล้องมันก็ติดไม่มีทําไปเวลามันถูกจิตมันจะได้งานนี้งานทั้งหมดจะขึ้นไปเลยสวยทําลายผลงานไปเลย ให้การสถานที่อย่างนี้พบ 1 ท่านได้เพราะมันเกี่ยวข้องมียุ่งอยู่เหมือนเดิมดีกว่าอืมว่าปฏิพานกับปฏิพานนี่เป็นปัญหาแล้วขอให้ทุกใครตรงนี้ได้เห็นดังเดียวทั้งพอพอทั้งสิทธิ์ทุกอย่างปฏิพานมันไม่เป็นการนิพพานมีคือรู้อยู่นั้นตัวรู้อย่างหรือไม่เมื่อด้วยมีอะไรมันมีปัญหาแล้วนั่นแหละอันนี้พูดเรื่องความร้อนดาวกับความสงไสลุยจริงๆนะ ก็ดังที่เป็นนั่นบรรดาท่านทุกขึ้นไปที่เลิศแล้วท่านรู้นิพพานแล้วแต่มีใจอยู่น่ะไอ้ที่เกี่ยวกันนั้นนี่มันก็อย่างนั้นน่ะที่ไม่เห็นถูกได้ต้องพยายามให้คิดถูกต้องหมดชื่อเหมือนรับฐานอื่นตั้งที่ก็ไปตั้งชื่อในอย่างอีกญีมก็รู้อยู่แล้วญีมเต็มที่แรงเท่านั้นน่ะไปตั้งมันจะยอมเวลานั่นตั้งทีมอีกลักษณะนั้นญีมลักษณะนี้มีแต่ความแค่ มันก็ความสัมผัสอาการนั้นเตือนในวงความอื่นอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วทั้งทางร่างกายเนี่ยจิตก็อิ่มทั่วจิตโดยทุกทั่วทั้งนี้จิตเหล่านั้นกระทั่งนี้งบแข็งแข็งอย่าอ่อนแอ ต่อกว่านี้ถ้ากว่านี้เวรอํานาจจะหมดไปนะค่อยขุดค่อยด่วนเข้ามาคุณเพื่อนเข้ามาพระจิตใจผู้ปฏิบัติเหมือนเอียนไปอยู่โลกไปเห็นโลกการของดียิ่งกว่าธรรมอืมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่อจะธรรมในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถืออะไรเยอะหาความขลังไว้ซึ่งนอกเลิศนอกรายของหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์คุณสอนไว้มันก็เป็นอย่างนั้นนี่อืม คนคํายังไม่ถึงถึงในที่ที่ไม่ได้ฉังทําจิตให้ไม่ฉังมันเถอะอยู่ไหนตะกบานคนนับถือไม่นับถือมันก็ไม่ไม่เอื้อนะเดี๋ยวไม่หอยเขานับถือก็เป็นทางแอมฝั่งเดียวฝั่งเป็นที่อยู่มงคลสําหรับเขานะถ้าทํามีที่เคลี้ยงมันก็เป็นอตมงคลที่หงสัยเขาต่างหากมันไม่เป็นที่เราเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดที่นี่ถ้าเรามันเป็น ปุงเรื่องที่เขามาว่าให้เรางั้นนี้แล้วแต่ว่าปุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับแกเราเหมือนแล้วรับภาคนะไปกับตัวรับภาครับภาคให้ผ่านไปผ่านไปโดยเท่านั้นมนัสถือเจ้าของไม่นักถือเจ้าของไม่คนอื่นมานักถือเจ้าของไม่ย้อมย้อมเจ้าของให้คนอื่นมันย้อมย้อมมีมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดีให้คนอื่นเข้ามาชงมาเจ้าของดี เป็นไปได้ผมไม่อยากสอนลงที่จุดนี้ทําเจ้าของอีดีเพื่อชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นอํานาจบรรดาจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรเนี่ยไม่เอาความนิกิจิโสคําฝึกฝีความขรังมาจากอะไรภายนอกภายในที่ไหนไม่มีคําหลักธรรมขบวนแล้วก็ไล่เผ่าป่าพอโคระเส้นหน้าสนามแน่ทั้งนี้ ก็ไหลเป็นทางทั้งหมดแล้วอยู่ตามบริเวณลุ่มไม้ทางป่าและเขาอันเป็นที่สงบสบายในการบําเพ็ญธรรมะธรรมเนี่ยนี่บอกให้ไปยุ่งไปอยู่หุ่นฟ้าหัก 2 มันหักหลังอย่างนี้มันหมายถึงว่านี่ขัดธรรมนี่หักเก่าในที่ในคันนี่หลอกออกเปิดนี่ดีไม่มีแล้วเป็นหมาที่เลี้ยงหมาที่เลี้ยงก็พักที่เรือนมันคือกันอย่างนั้นเรือนที่เรือนมากๆมันก็เป็นหมา ลำต้นอาเขตบางผ้ากันล่อนไปอย่างนี้อือก็เปิดสิ่งสําคัญไม่สนใจไปสนใจน้องๆนานๆนู้นอือนี่คือตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือตามหลักธรรมนี่แหละต้องจะหาสันติธรรมไอ้นี้ที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นแหละโลกมีอยู่ฐานสิเดชน์มันก็น่าสิเดชน์ปวดทั้งมาเลยด้วย ถาพันธุ์พิเดชมันกล้ามาทั่งผมพิเดชน่ะมันยังยิงในตัวอยู่ว่ามาพะนะพิเดชยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างเนี่ยพองเฉยๆตัวเท่าอีอ่างพองแข็งวัวทั้งตัวมันได้เราตรงนี้มีตรงนี้กินตัวนี้ ถ้ามรรครุ่งนั้นเป็นตัวของอวัฏติบัติมีความมีสติไปตามเร่งมันลงตรงนี้สร้างโดนนี้สร้างความกฐิริสิทธิ์จะไปสร้างที่ไหนติดจากธรรมะวินัยจําห่มความกฐิริสิทธิ์อันแค่สิ่งประจักษ์ใจถ้ามาสร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างที่นี้ขุดคนตรงนี้ทําโทษภัยที่มันมีภายในจิตใจนี่เมื่อโทษภัยทั้งหมดไปหมดไปกิเลสตัวนั้นเนี่ยมันก็หายหมดไปหมดไปที่ก็มีความสง่าผ่าโยได้เหมือนกัน สว่างพระอาจารย์แจ้งไปที่เลขหมดทั้งนั้นครับสาเหตุนั้นนี่เองจะหาคําที่เกิดมาก่อนใหม่ดีไลฟ์ก็วิเศษอยู่แล้วถ้าแต่ว่าวิเศษแต่ท่านก็ไม่เสถียรไปอีกทั้งคานที่เกิดเสร็จไปเพราะธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะโดนฝั่งพอที่อยากพูดนั่งดอกคุยนี่ทุกคนนั้นฟังให้คนนี้ฟังมันก็เรียกนักถีบบางอะไรอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทําพอดีไม่ใช่ทําเครงคอง ถ้ามันพอแล้วมันไม่ยากควรจะพูดหนักหนักเบามากมายจะพูดไปเสียมันคนที่พูดก็อยู่ได้อย่างสบายอืมเรื่องความแคร์ความชนะไม่มีในใจถึงใครจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเชิงมึงหรืออะไรกรรมโลกมันมีคนมาด่าเพราะเกลียดบังคับหัวใจให้เป็นเราก็ต้องเป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่ค้าให้เป็นแล้วไม่เป็นกลับต่อก็ต่อไม่ต่อก็เสียเกลือเนี่ยเค้าก็ดิ้นของเค้าตั้งหาเราไม่ได้ดิ้น โลกของเราเนี่ยเอาแน่นอนว่ามันได้คิดหมายเขาจะทําแทนเรานั้นนั้นกลับก็อัพคําขึ้นก็เป็นจุดส่งเสริมด้วยของนี้ยอกย่องด้วยของในภาคปฏิบัติส่งเสริมด้วยของด้วยศักดิ์กิจพลังงานสุขภาพความเพียรแล้วเจอเห็นคุณค่าของตังค์ไม่มีสิ่งใดแล้วในโลกนี้ที่มีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าใจเราม่วงหาหลังไม่เห็นเลยจริงๆ ใจมีธรรมคําใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นแหละความเลิศเป็นทั้งนั้นไม่เห็นตรงไหนการประกอบความพากเพียรก็ต้องมีธรรมธรรมดาเหมือนเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองถึงเป็นเจ้าของศาสนานี้ ตนสลบที่ 3 หม่อมนี้ตอนนี้ตาพระองค์ไม่โดนลําบากนี่ก็พวกเราลําบากก็เป็นยังข้อที่อยู่ตรงนี้พระองค์ว่าพระรัตน์อเปตบรรดาสัตว์โลกโทมังคีขู่เจอไอ้เนี้ยแต่โลกหนายบําเพ็ญแทบตายก็ไม่เป็นจริงตรงนี้พระองค์สลบที่ 3 หม่อมนี้ทุกข์เป็นทุกข์พระองค์ว่าองค์ฝ่าเท้า 8 พระองค์ตาแตกนะมีเช่นปตตุบาลนิพพโสนะ เพราะนั้นเล่นความเพียรประกอบความเพียรมาก 3 ท่าท่าแตกถ้าปฏิบัติอดนอนไม่นอน 3 เดือนตาแตกพอตาแตกผ้ากิเลสก็แตกจัดใจทันทีพร้อมกันอืมพอตานอกมืดกลางไอสว่างสร้างตาไหนที่คือสว่างนี่กับตาไหนครับไม่พอโน้มน้ําประกอบความเพียร 3 ท่าท่าแตกพอรับ เอ่อกลัวมันผิดอย่างนี้เพิ่มใหม่ตัวแรงคืนถามสายให้ดึกให้ดูอ่ายอดยานน้ําดึกก็มีเสียงดังเครื่องน้ําก็ขาดนะเครื่องสายตึงพอดีแล้วดังแล้วพอเครื่องเครื่องเครื่องทําสองถ้าส่วนน้ําทั้งกระดิดนั้นมาเป็นหลักกําเนิดตามมรรคขึ้นมา ปั่นเลยไปนะถ้าแท้แล้วที่นั้นก็กิเลสก็แตกนอนไปไหนไม่รู้นี่ก็ท้องแตกนั่นหมอนแตกนั่นนี่ที่เล็กก็แตกนี่นะครับเนาะทุกครั้งนี้ตังค์นี่มีปัญญาแท้ปัญญาอย่าอยู่ที่เคยอยู่เฮาบาด ติกังเป็นกังที่เป็นธรรมะแล้วนามะที่มาคอยมาทายบ่อยๆมันก็ค่อยเกลือนขึ้นเกลือนขึ้นค่อยทํานี้ทํานานต่อท่านคนหมู่นี้หมุนมาหมุนไปเลยได้เหือดได้ผลเพราะมันปัญญาและยิ่งเป็นเครื่องดูกดีเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้ทําต่อต่อแล้วฆ่าวิริยะให้เป็นขั้นตอนวิริยะการพินตาทุกบรรดานะอืมสมาธิเป็นที่เรียกว่าตะลําของวิริยะก็มารวมกันทั้งนั้นเมื่อเวลาสักครานี้ อำนาจของปัญญาเท่านั้นอำนาจจึงสําคัญมีอะไรสําคัญกว่าศีลกับปัญญาถ้าสิบังทึกมาเป็นวัตถุแห่งความสมานตัวครมันก็ติดปัญญาเป็นสําคัญมากทีเดียวก็ถึงคือกิตังอันตุที่ income แต่ปัญญาสามารถเจาะใช้ไปได้มากอืม ตบนั้นตบนี้แทงแทงตบไว้ละทุกข์ไปได้ปัญญาขออิงให้ครับอย่างนี้หมั่นเพียรเป็นแบบกับตัวที่หนึ่งตัวคนขยันหมั่นเพียรคนมีสติมีธรรมมีความเพียรเรียนรู้อารมณ์นิพพานทั้งหลายก็ไม่เข้ามายุ่งหรือยุ่งไป<ญ> เราทํามาขอบคนเพราะจิตมันกดทั่งให้คิดความคิดใดที่เป็นไปด้วยความขุ่นขมหรือเป็นไปเพราะความสมอารมณ์ให้ขอบคนตัวเองให้รู้ทราบว่านั้นความคิดนั้นเป็นภัยให้หยุดทันทีเหมือนเราเคยมาตีทูลที่ครั้งเพิ่งมันเจ็บขณะนั้นตีครั้งที่ 2 ซ้ําแล้วซ้ําหน่อยอ่ามันก็เปื่อยไปพอไม่ได้มีกิเลสมันตีเข้าไปเลย ยังพอใจกับความคิดวิเศษพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปผิดมันก็เหมือนกับไฟตัวเองเด้ไฟคุณ 11 มันก็เผาไม่หยุดร้อนนี่ก็คือปัญญาที่เป็นเหมือนกับน้ําดับไฟมันอยู่แล้วไม่นํามาท้าผืนกันเทศถึงเรียกว่าต่อสู้กันไม่ผืนไม่เรียกต่อสู้มันดับกันอย่างนี้เราไม่อยากให้มันผิดมันอยากเท่าไหร่แล้วก็สู้กันอย่างหนักเอาตายก็ตาย มันก็เคยขึ้นมาแล้วนั่นก็คืออาลัยนี้นั่นเองจะพูดที่ประโยชน์ถ้าบางสาธารณศึกษาบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยทายวะนั้นน่ะมันก็พลาดไปลงนั้นมันผิดมันไปอยู่มรรคเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งภาคขึ้นมาต่อถ้าต่อขึ้นมาแล้วมันหมอบไม่เคยคิดด้วยพูดถึงอย่างมาปัญญาของกะมาธิมันไปขึ้นมาในเอง ที่เป็นนั้นมันไม่อยากจะลงมันคิดเฉเล่ล่างๆเรื่องนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเทินแต่พอมันเคยเทินพอเราไม่เชื่อเด็กมันแล้วมันค้อตามวิเด็กมันเชื่อวิเด็กมันน่ะนี้มันไม่อยากเชื่อธรรมนี่ก็บางครั้งมันเชื่อธรรมในการที่การค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นมันเห็นทั้งเกินต่อหน้าต่อตามอ่าแต่ไปไหนตามแต่นักตามคนนึงคนนึงศูนย์เนี่ยต้องความหมอดเวลามันหมอดด้วยปัญญานี่มันหมอดจริงๆ สงบราบเป็นจุดอืมเห็นผลนะอ๋อนะจิตมันดื้อนี้ต้องตีต้านด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานั้นอาฆาตมากได้ต้องทั้งเหตุทั้งผลในความเป็นความอัศจรรย์ของจิตที่หมกเพราะยอมตนกับปัญญานะแล้วมันก็ยังได้นั่นคือคําว่าหนังสือที่ว่าปัญญาธรรมที่ขึ้นมาอืมทั้งหลายเขียนว่าว่าที่อบรมปัญญา คนอาคมมันกลับถึงตนได้เอาลงมาทีการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปัจจุบันอย่างนั้นน้ํามันรู้มันเห็นด้วยเห็นนั้นเหล็กนั้นจะต้องเปลี่ยนมาทางการให้เป็นโอเคเรียกคนก็งงปัญญาลงมาทีเฉพาะอย่างนี้มหาพุทธาถึงจะฝืนว่าก่อนเนี่ยที่เนี่ยวัดพรหมนิกเนี่ยท่านเล่าให้ตนทราบจริงมั้ยปฏิยะกะระมัดลงงานที่ กับโรงพยาบาลโรคปอดนี่ถ้าท่านได้มาจากไหนไม่รู้กูนี่ได้ที่นมครูแห่งมหาบัวแกว่าพรรณนาลงมาที่หือไหนๆๆมหาบัวมันเก่งกว่าครูเหรอไม่มีทางหรอกเค้ามาที่อบรมปัญญาคืออย่างที่นี่กับที่อบรมอย่างทําไมมหาบัวมันเก่งกว่าครูวะไหนๆไม่รู้หรอกเพราะพระมุฑทานกําลังสนิทกันเคยมานี่เทศน์แล้วไหนมาดูหน่อยสิทําไมมันเก่งกว่าครูนมมหาบัวยังวะท่านสาก็เข้าไป พอมาดูเนี่ยถ้าคนถ้าคนเลยนั่งอ่านอยู่ขณะเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีเข้าทีนะอ้าวเข้าทีนี่เข้าทีนี่นะยอมนะมีท่านรับมาตรฐานตัวเองนะอ๋อผมเคยค้านนํามาหาไงถ้ามานั้นแหละผมนําเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนผมไหนมหาบวชจะเก่งกว่าครูและหลวงปฏิสังขรเราเป็นครูมหาบวชจะเก่งครูว่าไหนมาดูมาดู มาพออ่านเอ๊ะขับคนขับคนขับคนเข้าฟ้าตลอดอ๋อเข้าทียอมละวายขึ้นณหลับนั้นท่านพูดถึงภาพทั่วๆไปแต่มาบุคคลที่เกิดขึ้นมีขึ้นท่านพูดเช่นสมาธิปริยภัณฑ์ต่างที่จะปริยภัณฑ์ สิกาปังสีลาปฏิภาวิตโตสมาธิมหัพพะโลโหติมหานิสังโสสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหัพพะโลโหติมหานิสังตาอ้อสีลาปฏิภาวิตโตสมาธิมหัพพะโลโหติมหานิสังโสสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหัพพะโลโหติมหานิสังตาปันดาปฏิภายังสิกังทั้งธรรมเดวะอเจหิมุจจติสมาธิเมื่อศีลอารมณ์แล้วย่อมมีผลมากมีเองมาก อันดาลเมื่อสมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากในส่วนมากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วจะหลุดพ้นจากที่เดชทั้งกรมบริโภคเนี่ยแปลตามตะอืมท่านพูดกันมาดับๆที่อบรมสมาธิอืมสมาธิอบรมปัญญาได้ด้วยถึงปัญญาจนจิตให้หลุดพ้นทีนี้มันเป็นนิพพานอันทีมันเพิกกันปัญญามันมีมาทีไม่แค่ที่เราใช้ปัญญาลงตรงนี้เราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าตมาธิ hmm. 24 จะปัญญาโดยอัตโนมัติตลอดไปเป็นบางกาลจิตวิรากจิตมรรคกลางดื้อด้านงั้นน่ะออกนั้นน่ะมาทางมันไม่สมดีกระทั่งออกมาอย่างเสียงดังก็เลยเห็นมวลเติมไม่ได้เสร็จต่อเวทีถ้าอย่างนั้นไม่ที่เลยต่อเวทีจิตหมกเนี่ยมันเป็นบางกาลบางเวลาในคนๆเดียวเนี่ย ถึงการทบทวนจะนําปัญญามาตีตอดสติใจมันพุ่งผ่านถ้ามันยอมตนลงแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทําจะควรจะอบรมให้ถึงอ่าถึงให้ถึงสมาธิถูกลงได้ตามแบบของท่านที่พูดไว้ตรงกลางก็ทําเราทําเพื่อให้ได้ผลเพื่อทําทําเพื่อประโยชน์อันใดก็ได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใด เรานําวิธีฐานนํามาท้าในเวลานั้นนั่นจึงเรียกว่าหมอกถงอืมอืมผู้คุณท่านมาคืนเราทํางานถึง 90 ทํางานอยู่สมาธิทํางานได้ผลดีพอทํางานบางงานก็ไปอีกอืมทั้งนั้นปัญญานี้ครับเป็นธรรมจักรไปครับ ถ้าพิจารณากันนั้นปัญญาเกี่ยวเรื่องรูปขันธ์นี้หนุนแรงขาดผลมากเหมือนกําลังโจรจากภูเขาเสียงรําถ้าว่าจะเที่ยงเพราะเรื่องขาดขันธ์เป็นเรื่องยากรูปขันธ์นี่ยืนยากปัญญาก็เริ่มรูปขันธ์นี่ก็ไม่ได้ขาดผลมากแล้วพอไปถึงนามขันธ์นี่แต่พวกเวทนาปัญญาสังขารนี่แล้วมันก็ค่อยเบาเบา มันกำลังทำนำขึ้นแต่มันหยุดนักมันกำลังทำนำขึ้นทีไรหรี่มีครั้งหน้าครับผมไม่มากแต่ไม่ขาดพักขาดตอนบรรดาคันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนี้ละเอียดรอมีละเอียดมีเล็กละเอียดอันนาทั้งละเอียดเหมือนกับม้าที่เข้าสู่ทางละเอียดแล้วต้องออกอาศัยกบพระเจ้าออกขวางมาถ่ามาฝันพวกพวกไหนเวลามันอยากจะเอากบไปใส่มาผู้เพิ่นเลยว่า ต้องขวัญผากจนถึงขั้นที่ควรจะใสขบขึ้นใสทางพิจารณารูปคือกายร่างกายเป็นความที่เย่อเย้อละอนงค์บาทเต็มประจังมันต้องช้าสัญญาแบบขวัญผากมั่นเลยพอมันหนักอย่างสภาพผลมันเป็นที่พอเข้าในขั้นวิเคราะห์พิจารณาร่างกายอย่างที่มีขณะมาทําม่วนแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกับเอาขบ ไส้ไม้เทำนะไส้ไม้ทั้งต้นเหมือนกับกบไส้ไม้เป็นกันเป็นกันที่ตกออกมาจากเรือนจากขวามย้ําหลายๆตัวนี้เป็นวิทยาภิปัญญาถึงมรรคซึ่งมาจากสติปัญญาที่ล้มลุกคร่ำเกิดขึ้นได้เป็นอย่างนั้นทุกคนเนี่ยเหมือนไม่จะเป็นไปได้การให้ผิดหน้าละอายใจจะเป็นไปได้ทั้งนี้ หน้าสถานะของน่ะน้อยไม่ได้หมายหน้าอำนาจราชาน้อยไม่มีหน้าสถานะเลยพี่น้องเป็นเรื่องของกิเลส 2 คนเท่านั้นเราไม่ทราบน้อยก็ทําหน้าที่น่ะถ้าเป็นนักรบนักต่อสู้เพื่อหลักธรรมเพื่อเอาของเศรษฐกิจมากเป็นสมบัติครอบในตัวเองจริงๆอ้าวอะไรปกป้องโวลันซ์เรานะความแกร่งของที่ปกป้องอันเพื่อความสงบหน้าสถานะอยู่ที่ตรงไหนนะเวลาอยู่ว่ามีเฉยทําไม ในความความคิดกันว่ามันปัญหาน้อยล่ะนะพัดลงไปพัดลงไปไม่ได้พอมาเป็นปัญญาบรรดาที่เราไม่เคยใครคิดว่ามันจะตื่นตราศีที่บรรดาอนุมาตถ้าเป็นครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาภิมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องมีใบบังคับบรรทัดนอกจากว่าเราไว้ประมาณนั้น พะทะละเอกะมีทั้งอุททกอุททกในสังโยชน์เบื้องบนในอุททกเวจจะแต่ก่อนนั้นไม่เข้าใจทั้งเบื้องบนคืออะไรกามรูปราคะอรูปราคะอลิขะกามนะอุปกะอลิขะทั้งเบื้องบนเราไม่เข้าใจรูปราคะอรูปราคะรูปราคะที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงรูปกายเรานี้นะเวลาพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่ง คือการปล่อยปล่อยแล้วแต่มันอาศัยภาคร่างกายนี้เป็นภาชนะฝึกสร้างกันพอตั้งคุณภาพขึ้นมาพักระดับเราไปไปอยู่ที่จิตตั้งขึ้นมาพักดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบทันว่าจิตนี้เป็นผู้ปรุงเป็นผู้ปรุงออกเป็นภาคแล้วก็เอ่อเข้ามาบทในจิตเข้ามาในจิตถึงกระทั่งมันเข้าใจทันแล้วในภาคภายในที่ว่ารู้พระคฤหคทุกข์ธรรมยินดีพอได้ไม่ได้เหมือนว่าเอ่อภาคะแบบ ธรรมเหตุทั้งหลายนะรูปราคะนี้น่ะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์นั้นเท่านั้นเองเป็นธรรมส่วนละเอียดแต่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกแยกให้เหลียวกันท่านก็เลยว่าคะรูปราคะคือมีความพอใจติดใจอยู่ในรูปภาคนี้ภายในจิตนี้เมื่อรูปภาคร่างกายนี้มันสลัดพอสลัดทั้งมันแล้วเพราะธรรมที่เปลี่ยนด้วยปัญญาแล้วมันก็นําบริขภาพนี้เข้าไปในภังคิ ปุงหานี่พอปุงขึ้นพัดแล้วมันก็คือมันก็มาถึงมาเข้ามาถึงใจมาดับตรงที่นี่ปุงเข้าก็เข้ามาดับที่นี่มันก็สร้างไปทั้งโอ้จิตเป็นทุกข์พลขึ้นมาจิตเป็นทุกเอื้อจิตเป็นทุกข์หลงเมื่อจิตที่เวลาได้บรรดาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้และต่อไปรูปลักษณะนี้ทั้งหมดอรูปลักษณะคือยินดีในสุขเวทนามีตามหลักปฏิบัติสุขเวทนาอันและอีกอย่าที่ภายในจิตอรูปอรูปลักษณะ นานะผู้ความถือจิตดวงนั้นน่ะดวงที่สว่างกระจ่างแส้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันถ้าหนหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็ภาคอะไรก็ภาคกันภาคกันไปเลยเป็นคุณลักษณะอันมีแต่จิตดวงที่โปร่งใสนี่มีเท่านั้นนานะวิกฤตตรงนั้นนี่แหละสําหรับมนาก้าวมันเข้าใจในภาคปฏิบัติมันถึงชัดนี่เฮาจะนั่งทําปฏิบัติหาตรงนั้นนะนานะ คือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะมีความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ทําให้เกิดความข้ออื่นเกิดความติดความพันความพอใจนี่แหละเรียกว่ามนะที่ความพอใจนั้นเป็นเป็นอย่างนั้นถืออย่างนั้นแล้วก็มพบเพื่อนฝูงนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตคงนั้นบ่นี้ก็คิดอยากจะเอามีเคียงองค์นั้นจะเสมอรามีหรือตังกว่าจิตเราดวงนี้หรือยิ่งกว่าจิตเราดวงนี้นะ ถ้าสมมุติว่าต่ํากว่าร่องมันก็เข้าใจว่าต่ํากว่าหรือหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าคิดอ่าเสมอเสมอเท่าก็เข้าใจว่าต่ําของเขาบ้างเสมอก็บ้างอยู่ของเขาบ้างถ้าคิดดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ําของเขาบ้างเสมอของเขาบ้างยิ่งของเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมาหน้ากล้าพอเพื่อความรู้ความรู้นี่นี่ล่ะตัววิชาแท้อ่าเราไม่รู้ <stop> ผมพยายามจะให้ติดเรื่องทันกันอย่างนั้นสนุกสนมผมคืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่น่ะกล่อมนั่งนอนเข้าอืมนั่งบังเงาแต่ว่าภาพอวิชชาวาดเป็นเสือโคร่งสวนดาววาดภาพเป็นนักเป็นผีมาอวิชชาไปอยู่นั้นๆเวลาก็ถึงตัวอวิชชาจริงๆโหดถูกกล่อมให้หลับสนิทนัก อาศัยมาบรรลุในมโนปัญญาหรือผลึกกาดุอภิราจะรักษาจิตดวงนี้เถอะทําจิตดวงอวิชชาคือเมื่อเป็นตัวไปไม่รู้สึกปวดนั่นล่ะละเอียดขนาดนั้นอวิชชามีเพียงละเอียดขนาดนั้นทั้งๆมันแสดงมาอย่างประหยัดเรายังหลงนี่มันเหมือนกับบริวารของอวิชชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นมันยังประหยัดโกรธก็เห็นนิยตาดำตาเดิมมันก็ยังพอใจโกรธเพียงอย่างนี้ แต่หม่อมเกเหล่าคิดเคลมไปทั้งนั้นแหละขึ้นชื่อว่าเรื่องของที่ได้แล้วคิดเคลมนะเพราะเคยเชื่อมันมานานไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตัวโกรธให้ขอตาลำกระแดนถึงที่จะถึงแพ้ถึงก็ฆ่าเขาได้แต่แม้ว่าเป็นของดีน่ะคือความเชื่อที่เลิศนั่นเองให้พอถึงตรงนี้ยาบอันนี้มันหมดไปหมดไปหมดไปนั่นที่เข้าถึงตัวละเอียดตัวอวิชชาแพ้ละทีนี้ ตัวกระทัพแต่แท้ละนะอสัตติมหาสติปัญญาที่เป็นอตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญายังต้องหลงปนหม่นกันได้มาไปรักษาจิตตรงนี้อยู่นี่มันอะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมันก็สลัดปุ๊บแต่ว่าปุ๊บด้วยด้วยปัญญาถ้ายอมให้อะไรมาแตะต้องนี้เลยไปรักษามันโดยไม่รู้สึกตัวนั่นน่ะรักคือรักวิชชานิฌาน 1 หน่วยมหาสติปัญญาอยู่แล้วน่ะเมื่อเป็นกระนั้นแล้วสัมวิชชา 1 หน่วยแล้วอยู่ด้วยอย่างความฉลาดนั้นกรมนั้น 1 ฤทธิ์ตัวอย่างนี้ครับสติปัญญา โลกในขณะนั้นถ้าที่ปัญญาเนี่ยจะเป็นขั้นมาเพื่อที่เราเอาอวิชชาก็ตามยังอวิชชานึงน่ะจึงต้องติดจึงต้องหลงปนอวิชชานี่โลมานะที่คําว่าอุปัสสะมันหมายถึงการโพนขณะที่มีกิเลสมาโผ้งติดเพลินต่อการพิจารณาไม่หยิบไม่ถอยรั้งเอาไว้ไม่รั้งไว้ไม่ได้อืมกระของลักษณะนี้ผู้ไหนเพียรก็เพียรแต่จิตไม่ยอมถอยนี่ก็จะเอาชนะแค่เดียว ถึงคำว่าแค้นไม่มีแค่ให้สะท้านมีแต่ให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคำว่าแค้นมีไม่ได้นู่นมีหรอกที่ทําให้มันฟุ้งมันเถินในการพิจารณามันจะฟุ้งต่างลําคาญด้วยความโลกตามมังสาด้วยเสียงด้วยรถเก๋งผ่านไม่มีอย่างนั้นไม่มีมันเถินในงามของตัวเองที่รักแค่ที่เลยเพลินเต็มคนเนื้อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสันยวกอันไหนแล้วจะ ที่อวิชชานั่นน่ะอวิชชาเขาเรียกว่าอวิชชาก็คือตัวนั้นแหละมานะมันเป็นตัวนั้นน่ะจกของความไฟๆตัววิปัสสนาจริงเข้าใจว่าวิปัสสนาคือข้างหน้าผ่าไปมานะมันถือตรงนั้นอืมนั้นแหละคืออวิชชาหนุ่มตัวเองนั่นอืมเราก็คิดปัญญามันพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้ว พรหมไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายแต่มันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นจึงเรื่องของมันรู้จริงมันต่อยจริงๆนะไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องขนาดมันไม่เอาพิจารณารูปนี่ก็ไม่เอาเวทนาสัญญาสังขารมันก็ไม่เอาก็ไม่เข้าใจหมดแล้วแต่มันไปติดไปอยู่ในความสุขสบายต่างๆแส้งไงติดพองสายนี่เนี่ยมันลงอวิชชาถึงเมื่อพิจารณาไปนานเท่านั้นเข้าเรื่องอวิชชามันก็เป็นเรื่องสมมุตินี่ มันจะพลต่อการแสดงความอ่ากล่าวตอบอันนี้การขังตาบริมันต้องแสดงอาการอะไรขึ้นมาให้จับที่รู้ได้เต็มมากลงถึงขั้นนั้นสมมหะที่นอกปัญญาเลยเมื่อรักษาอัตตานังได้นานๆไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายสมมัติระหว่างอย่างนี้เรื่องว่าอวิชชาจะก่อแฝกสนามไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามขั้นของจิต อันนี้ตามขั้นทั้งสารละเอียดนั้นแปลงขึ้นมาถึงได้พอจะจับคิดกันได้นะถ้ามันมันมีตัวมันมีลักษณะเฉพาะเฉพาะมาดูลักษณะนี้ทุกคือทุกกระทุทุกละเอียดทุกขั้นมีทุกละเอียดกวาดภาพได้เฉพาะมหาวิทยาลัยปัญญาภรณ์นั้นซึ่งที่ปัญญาธรรมดาสร้างไม่ได้เลยเมื่อมันจับได้นี่ทําไมมันเดี๋ยวว่าถูกถ้าเดี๋ยวว่าถูกแล้วเดี๋ยวว่าของสายเดี๋ยวว่าสมองคือสมองสมองตามภาคของวิชาเองไม่ใช่สมองอย่างจิตธรรมดาเรา ถ้าสักมหาเถระอิหม่ามเนี่ยมันรู้ทันมันก็จับจุดนั้นเข้าไปฮะเอ๊ะนี่สมัยเท่าเป็นจุดที่แน่นอนแต่ได้ย้ําความมันเป็นประการอาการแปรเปลี่ยนนี้มานะงั้นมันก็จิตก็เกิดความสงสัยขึ้นเนี่ยถ้าจิตปัญญาเกิดความสงสัยต่อเข้าไปตรงนั้นที่ประการนั้นเหมือนกับสภาวะทําทั้งหลายนี้มันอะหะตนทีนี้อันนั้นเป็นเป้าหมายของการที่จะมานั้นก็พอจิตมันต่อเข้ามา อ่ามีกรรมความตั้งใจเข้ามาจุดๆนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นพิจารณาเข้าไปเหมือนกับเผาตามตัวไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้มันเป็นตัวละเอียดที่มันอลักครับนี่พิจารณามันก็พังเจ้ามหาอุปมหาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุไปเลยมหาวิทานจะทนได้เมื่อตั้งแต่พิจารณากันนอกจากเพ่งรักษาอันนี้เถิดพอต่อเข้ามาทางนั้นมันก็พังก็กระจายไปหมดทีพอวิธรรม สลายไปกันอันนั้นมันสลายนะที่ว่าของใสนั่นน่ะตัวที่แท้ๆ1 มันมันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวนี่นะอ่ามันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงานตะโกวันน่ะทําอ้อยให้อ้อยอีกกี่พันพอมันสลายลงไปแล้วนี่อันที่วิเศษ โดยธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้อันนี้เหมือนกับกองคิดความอวิชชาที่ว่าดีๆที่เสร็จนี้โซดเมื่อเที่ยวแล้วมันก็เหมือนกองคิดความโอ้โหความคิดความมาทับธรรมชาติวิเศษได้ว่าอย่างงี้พอนั้นทั้งหลายก็ปุ๊บอันนี้ไม่ทํามินถึงก็เมื่อไหร่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พอดีสาวกท่านมันลุกทําบริธรรมดวงธรรมชาติของจิตล้วนๆแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวผลเลยอืม ก็ถึงขั้นเดิมของจิตแท้เหมือนเดิมนี่เราก็มันอยากจะพูดนะก็พูดถึงตัวเป็นจิตนั้นวันแล้วหวายนั่นแหละทีนี้อัตตัญญ์ยิ่งกว่าตัวทางขณะใหม่เทียบกันเลยนี่แหละที่เราประจักษ์ต้อง พ่อพระท่านแล้วหงส์พลทุกตัวยังก็เห็นตรงนี้โอ้ลุงขนาบเนี่ยเหล็กขนาบถึงขนาบนี้จะไปสอนโลกได้อย่างล่ะสอนให้ใครรู้ไม่ได้ลุงขนาบนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดที่ใสที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็สงเคราะห์ภาษาทําความหงอยหวายน้อยท่านท่านคิดปรารถนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนกับโลกอื่นเลยแล้ว ทำเมื่อเข้าถึงธรรมณท่าที่อธิการเกินค่าเกินหมายเกินสมมุตินิยมทั้งหลายทั้งที่แล้วธรรมเกิดท้อพระภัยเพราะในขณะนั้นไปเกินโดยเฉพาะยังไม่ได้พิจารณากว้างขวางอุปปัตติแต่ทําให้นานฟังสวดพระพุทธเจ้าไปสวดละเหงมกับพระองค์ฉะนั้นมาก็เหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้มันก็คงไม่ผิดตรรกะนะเอาถ้าว่า อ่าโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอัตตังขณะนี้ธรรมะการปกตินี้โลกไม่สามารถจะรู้ได้นะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทําไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะเป็นปัญหาตั้งมาแล้วอ่ารู้ได้เพราะปฏิบัติธรรมก็เมื่อเรานําปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัตินี้สอนโลกทําไมโลกจะรู้ไม่ได้ล่ะนะทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมาย สถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดมีที่ทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายพระธิปัตย์ซึ่งดําเนินนี้ก็ไปถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อคําสอนวิธีการแก้จากโรคภาพแล้วทําไงจะรู้ไม่ได้อ๋อเหมือนอย่างนั้นน่ะอ๋อๆรู้ได้รู้ได้แล้วก็มีเจ้าพระไทยที่จะสอนจัดโรค แล้วก็เป็นทะลายขึ้นมาถ้าถ้ามหาภพมารับพรรณาผมมาไปโลกานี้ทีละ 3 บะทีนั้นเบื้องต้นขึ้นเป็นธรรมอันฐานของผมซะก่อนคือพอมีกับพระพุทธที่ทรงสอนกับโลกด้วยผลแห่งกิกรรมเนี่ยอ๋อๆโลกเข้าใจแล้วนี่ก็ทรงพระเมตตาเริ่มนะพระธรรมที่จะทรงสอนกับโลกก็คือมีธรรมภพเป็นไม่มีมาแล้วผมมาประโลกานสอนกับโลกนั้น ก็สมเล่นงานดูใครจะรู้แท้จริงในธรรมตอนนี้ได้หน้าเล่นไปถึง 1.2 อุปกาละวงเอ่อ 1.2 ละวังในตำราก็มีแต่ผมลืมนั่นแหละก็โอ้โหจะตายเสียแล้วมึงว่านี่พวกตายเนี่ยหมดหวังทําไงตายแล้วหมดหวังพวกเรานั้นไม่หมดหวังมันยิ่งหวัง ปฏาเลอกุศลธรรมอกุศลธรรมอืมห่อขึ้นขึ้นสมานิพพานพระพุทธเจ้าปราทัยองค์หลวงพระเริญญาณด้านหลังน่ะกรรมกรรมถึงกับ 455 ก็พวกนั้นจะรู้ได้เลยผมเสด็จทรงหน้ามาผมก็เป็นเอาศีฆาหน้าพระญาณก็มาปะปะว่ากันอย่างนี้เป็นต่อมีนักคนระยะได้ดวงตาเห็นธรรม อานาธิอตโปคนนั้นอานาธิอตโปคนนั้นอานิโคคนนั้นดับพระพุทธังมีกําลังกําลังพุ่งอุปปาเนี่ยนั่นสิขึ้นถึงถึงดับธรรมสัทธาธรรมธรรมขณะนั้นปัญญาคนนี้นั้นได้เป็นทางขึ้นแล้วเรื่องความจริงคือธรรมะจะขึ้นเพื่อทําวิธรรมลังธรรมจะพุ่งอุปปาเนี่ย มันมันก็ผู้อันกลับจากความมืดบังตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนนั้นน่ะเคยตากกับความมืดบังนั้นนี่ก็ตากขึ้นแล้วเป็นอีทางมากยังมีกิเลสบลายธัมมาสังขารนิโรธธัมมะสิ่งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงกันสิ่งใดก็ตามเมื่อเข้าถึงกันสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นคู่กันทั้งนั้นหาที่หวั่นใจไม่ได้ นั่นฉะนั้นมันกระทุรณอนัตตาก็นั้นก็ไม่ทําให้บรรลุธรรมนี่คือปฏิปยาการของพระพุทธเจ้าแล้วพระโอเรียนก็ได้ทรงเป็นธรรมในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงอ่ากลับไปนั้นไปว่ามังเดวานุภาวะนะอตะโคนี่อะอตะโคเปล่าว่าเนาะ อ่าอิงานังดาเนสีพระองค์ไม่ทรงเป็นบุพาลคืนนี้ในขณะนั้นยังทิรัตตะโคคนนั้นโลนเพื่อทะโกคุณนั้นพอพระญาณของญาณได้รู้แล้วหน่อยอยู่หน่อยที่ที่ดังอาวีโอคนนั้นน่ะสักถึงนาคนนี้ว่าตัววัตมาหูที่โดยอาศัยเหตที่พระอัญญาปญญะจึงได้ชื่ออย่างนั้นว่าแต่ ธรรมะครับอาตมาคิดนะนั่นก็แสดงธรรมะอ้างแสดงอนัตตลักษณะคือรูปังอนัตตาวิญญาณอนัตตาสัญญาสังขารังสังทุกขังไสยด้วยไปแต่แต่สนับสนุนนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดขัดเดียผมผู้บงคมยอมรับร้อยจะเป็นอย่างหาที่ทางไม่ได้ก็คืออธิกะละติก็คืออนัตตะปยายะยุติ ยิมนาคมที่อยู่ในที่ธรรมะอยู่ที่อยู่ในที่มโนวิญญาณที่อยู่มโนสัมปัสสิกที่อยู่ยํปิยังสัมปัสสิกยํปิยังอะตะริยาก็คือที่เยือกสุขังน่ะทุกข์น่ะทุกข์น่ะสัมมุติเกิดอยู่ที่นี่เป็นการที่จะมีลาภังนี้จะสิทธิ์มีมีญาณังโหติเบื้อนั้นได้ทําเบื้อไหนมั้งในธรรมะเบื้อนั้นได้สิกเบื้อนั้นได้ทําลงที่ก็มาเกี่ยวข้องอยู่เบื้อนั้นในความรู้สึก วิญญาณที่เกี่ยวข้องกันเมื่อบรรดานี้อ่าเวทนาที่ผลที่มันเกิดขึ้นจากอันนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี้เมื่อบรรดาตรงนี้ตัดนี่คือบรรดาที่ทั้งหมดปัญญาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะนิพพานวิราชติเมื่อบรรดานั้นย่อมคลายตําหนักเมื่อคลายตําหนักจึงกําหนดคนอันนี้แหมเราถึงอ่ะเพราะการปฏิบัติออกเป็นอย่างนั้นเพื่อนอนัตตภาพส่วนนี้พอถึงขันธ์ 5 รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณที่เป็นมีนิตินะนิพพานวิราชติ นี่ผมเหมือนกับว่า 1 เราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่คุ้นค้านกับค้านในสิ่งที่ไม่คุ้นค้านกับอะไรทั้งภาคปฏิบัติอะอธิษฐานวิยายสุขเราหาที่ค้านไม่ได้เรายอมกำหนดไว้เฉยๆแต่ส่วนนักศึกษาว่าสุดยิ่งมีข้อขัดกันเราจึงดึงเรื่องไปเสียว่าเนี่ยท่านอาจจะแสดงเป็นเรื่องผู้ใหญ่ต่อหน้าเรื่องคือที่อาการท่านนะครับอาจจะมาทำมาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ เหมือนแต่เมื่อกี้ก็ถามมันผมแน่ใจว่าถึงมารณรงค์ปี 24 เหมือนกันรูปเวลาที่เราจะคันยันแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปที่ไหนจิตมันอวิชฌานไปดวนอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ขันธ์ 5 เลยเวลาเราปฏิบัติรูปเวลาถึงอย่างขันธ์ยันรู้เท่าแล้วนี่ก็ที่ผมอธิบายไปทีนี้นะรู้เท่าแล้วมันดวงเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชฌานน่ะอวิชฌานครอบจิตให้มันถ้ามันเข้าอย่างเข้าตรงนั้นแล้วอวิชฌานก็แตกออกมาได้นี่ๆที่มันค้านกันมันต้องมารณรงค์ปีโน้นเนี่ย ที่รู้เท่าขนานาแล้วก็เบือนหน้าค่ากําหนดรามันเป็นตนได้รู้เท่าขนานารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถืออธิกวิชาที่มันพัวพันกันมันเป็นอันหนึ่งเดียวอย่างนั้นมันต้องไปพิจารณานั้นอีกทั้งตีอวิคคานะแต่ประจักษ์จิตแล้วมันถึงเด็ดขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยอืมหายสงสัยน่ะอย่างนั้นนี่แหละภาคปริมาตถึงที่ไหนที่ควรทานมันค้าได้อย่างจังๆด้วยความแน่ใจทีนั้นมันรวมกันได้รวมได้ อย่างที่ว่าอะไรอ่าศีลัพพตปรมาสอันภตุนาละนั้นๆนี่เราก็ปฏิบัติกันบนบาดไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเท็จกันที่เรียงอริยภูมิตรงไหนที่มันแยกมันก็กับอ่าทางปริยัติมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมาร่วมมันก็ร่วมกันนี่เราเป็นนักปฏิมากรรมมันเป็นยังไงเป็นตามการบริษฐานของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงอคคะกับค้านกันถึงจะแยกกันแย้งกันหมด มันเมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติลูกของลูกก็เห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้ถ้าถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้เห็นมาอย่างนี้นี่มันจะผิดด้วยอันก็ผิดอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมมันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัติเพียงเราก็พอดับอย่างแน่ใจเอาไปเหมือนกันโนหลักก้าวถึงขั้นสูงแล้วมันก็มันอย่างนี้แยกกันอยู่ถ้าพูดตรงนะถ้าในเป้าใหญ่อย่างนี้ อ่ะละทีนี้ก็ทําไม่เสร็จนี่ให้กลับขึ้นต้นลงไปอีกหน่อยอ้าวท่านปัญญาจะอธิบายหมู่เพื่อนทําอะไรบ้าง